ระหนักว่าราคะจะทำให้จำอะไรไม่ได้นอกจากแรงดึงดูดเฉพาะหน้าไม่แน่ใจเลยว่าถึงเดี๋ยวนี้เข็ดสถทีหรื อ, อยัง